ของกาศครับของตาเพิ่งมาั้งนี้ครั้งแรกอ่ได้ฟังทีดีหลงตาครับผมแล้วก็ได้เปิดทีดีให้ลูกชายฟังลูกชายบอกว่าอย่างมากราบหลงตาโอ้ยคโอ้โหเก่งขนาดนั้นเลยหรอลูกออายุเท่าไหร่เนี่ยชื่ออะไรครับเอาเอาคนเก่งเอาไว้ต้องอายไว้ต้องอายแล้วเออชื่ออะไรชื่ออินกี่ขวบเลยลูกเ้าขวบ เก้าขวบโ oh, อ้ตัวหลังเด็กนี่แปดขวบเก้าขวบฟังคําสอนลงตารู้เรื่องหมดเแปลกมากเลยเก้าขวบฟังลงตารู้เรื่องไม่เก่งมากฟังตีดีรู้เรื่องนะมอยากอยากพูดอะไรไหมเราฟังก่อนฟังก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปพูดเอาพ่ออยากพูดอะไรไหมการที่ผมวงัวงวงังวังจิตแบบนี้ครับลงตาถูกถูกไหมครับก็คื อ, อมันไม่ไม่มีตัวเราอ่ะครับ ท่านยังเอาตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวเราอยู่เลยครับอืท่านยังเอาตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราคือตัวเราตัวตัวผมที่ผมพยายามจะวางจิตสมมติวางจิตอย่างนี้วางจิตอย่างนี้ท่านยังเอาไว้ตัวนี้เป็นตัวเราแต่ถ้าสังเกตดูสิไอ้ตัวเราที่พยายามจะวางจิตสมมติวางจิตอย่างนี้วานจิตงี้แท้จริงไอ้ตัวเนี้ยเราตามดีๆเนี่ยเป็นตัวเคลื่อนที่ตัวปรุงแต่งแต่ไอ้มันมีผู้ที่มารู้ตัวเราที่กําลังเรากำลังพยายามทําอะไรในจิตอย่างนี้ ไอ the like yes? ้ต like ัวนั้นเคลื่อนที่ไม่ได้เราไปเป็นตัวผู้รู้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ผู้รู้ของท่นเนี่ยที่บอกไม่มีตัวตนมันเคลื่อนที่ได้นะเป็นตัวปรุงแต่งตัวมระมวลผลได้ตัวตัวตัวดิ้นตัวตัวปรุงแต่งจะวางจิตแบบนี้วางจิตอย่างนี้หรืออย่างนี้ถูกหรืออย่างนี้ผิดแต่ว่านี้โอ้อย่างนี้ใช่เลยของท่านอย่างนี้ต้องขอ่านจะใช่แต่อย่างนี้ใช่แต่ตรงเนี้ยของท่านเนี่ยไปกลายเป็นตัวปรุงแต่งหมดเลยไมจะแบบเป็นรู้ว่าเรากำลังปรุงแต่งทําจิตอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะผู้รู้เนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่ได้ปรุงแต่ง แต่ตัวเราที่มันพยายามปรุงแต่งว่าเออเราวางจิตแบบนี้ถูกหรือวางงนี้ถูกปูอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ยถ้าเงี้ถ้าเราไป็นอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนเรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนแต่แท้จริงอ่ะไอ้ที่เรารู้สึกไม่มีตัวตนมันปรุงแต่งอยู่ในใจว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนเรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนเออตอนนี้เรามีตัวตนอตอนนี้เราไม่มีตัวตนนะเดี๋ยวเราไม่มีตัวตนนะตอนนี้เราไม่มีตัวตนอีกนะแต่แท้จริงอ่ะไอ้ที่เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนกับเราไม่มีตัวตนเดี๋ยวไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตน จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นตัวเราที่ถูกรู้แต่มันมีผู้ที่มารู้ว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีตัวตนตอนนี้เรารู้สึกว่ามีตัวตนตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนตอนนี้เรารู้สึกว่าไม่มีตัวตนตอนนี้รู้สึกว่ามีตัวตนมันจริงๆแล้วมันมีผู้ที่มารู้ตัวเราเราจึงสามารถตอบได้ว่าตอนเนี้ยผมไม่มีตัวตนตอนนี้ผมมีตัวตนสังเกตไหยมันมีผู้ที่รู้มา มันมีผู้ที่มารู้เรามันึิตอบเอามาบอกได้ว่าตอนนี้ผมไม่มีตัวตนความรู้สึกไม่มีตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มามันถึงว่าเอามาบอกได้มันต้องมีผู้ที่มารู้ว่าเราตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนมันึงมาบอกว่าตอนนี้ผมอาจารย์โดยสิ่ผมไม่มีตัวตนตอนนี้ผมมีตัวตนแล้วอาจารย์ตอนนี้ผมมีตัวตนแล้วตาตอนนี้ผมมีตัวตนแล้วจะเห็นว่าความมีตัวตนหรือความไม่มีตัวตนเนี่ยมันถูกรู้มามันถึติมาบอกได้ นเียมันต้องถูกรู้มาที่วะอ่าตอนนี้ตอนนี้มีตัวตนไอ้ความมีตัวตนเนี่ยใครรู้ว่าใครรู้ว่าเราตอนนี้เรามีตัวตนอ่าตอนนี้ไม่มีตัวตนผมไม่มีตัวตนใครรู้ว่าเราไม่มีตัวตนถึงมาบอกของตาได้หรอว่าอืมตอนนี้ผมไม่มีตัวตนเห็นไหมตอนนี้ผมมีตัวตนเั้นไอ้ความมีตัวตนความไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้มาเราถึงมาบอกได้เข้าใจไหมครับอืมให้ไปเพ่นรู้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้ แสดงกิริยาการไม่ได้ไม่ว่าเราเนี่ยไปยืนเหมือนไอ้รู้เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกระจกพอเราไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วเราก็อ่าตอนนี้ผมไม่มีตัวตนใช่ไหมไปพุ่งกับกระจกอตอนนี้เห็นไหมเนี่ยไปพุ่เหมือนกับเราไปยืนอยู่หน้ากระจกตอนนี้เราไม่มีตัวตนเห็นไหมกระจกตอนนี้ตอนนี้เราก็ยืนหน้าตอนนี้เราหมือนกับเราไปยืนอยู่หน้ากระจกตอนนี้เรามีตัวตนเห็นไหมตอนเรามีตัวตนกระจกเนี่ยนะคือผู้รู้เนี่ยมันจะรู้ตัวเราเหมือนกรู้แบบกระจกคือไอ้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกระจกมันไม่อาจเคลื่อนที่ได้ไม่ม แต่มันเราไม่เคยหลอดพ้นจากรู้ตัวเราที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนตัวเราเัราตัวเราที่ถูกสะท้อนเนี่ยถูกรู้ตลอดเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสมมุติแต่ผู้ที่มารู้ตัวเราเหมือนกระจกที่มารู้ตัวเราแต่ไม่มีตัวกระจกอันนั้นนะคือเราแท้แท้ไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทำลายเอา ง, ง่ายง่ายวิธีปฏิบัติอ่ะสังเกตดูไหมท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านนั่งยังไงอะท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมว่าท่านนั่งอยู่แต่ละคนเนี่ยรู้ไหม เนี่ยท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านรู้ท่าไม่ได้นอนท่านก็รู้แม้ว่าท่านไม่ได้นอนเออรู้ว่าท่านไม่ได้นอนแต่ท่านนั่งอยู่ท่านนั่งอยู่แต่ละคนเนี่ยแม้แต่เด็กก็ยังรู้เลยว่าเนาะเนี่ยเด็กก็ยังรู้ว่าเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ไม่ได้นอนเห็นไหมทำไมรู้ล่ะเออก็มันเนี่ยตัวเราเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเราที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราที่เรานั่งอยู่เห็นไหมเราเป็นคนรู้ตัวเราเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราที่ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นตัวที่ถูกรู้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวของตายแตกดับ แต่ไอ้ผู้ที่พูดที่มารู้ตัวเรานั่งอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไม่แตกไม่ดับไม่ตายไม่ทําลายเพราะตัวตนเราไม่นีแล้วถ้าท่านตอนนี้ท่านเป็นฝ่ายฟังท่านไม่ได้พูดท่านรู้ไหมรู้ตอนนี้ท่านเป็นฝ่ายพูดเพราะท่านถือไมล์แล้วพอท่านเป็นฝ่ายพูดท่านรู้ตัวไหมว่าท่านเป็นฝ่ายพูดท่านกาลังพูดอยู่รู้เห็นไหมเด็กก็ยังรู้เลยว่าตอนนี้ผมกําลังพูดตอนนี้ผมไม่ได้พูดตอนนี้ผมกําลังพูดตอนนี้ผมไม่ได้พูดเด็กก็ยังรู้เลยนั่นแน่ ไอ้ตัวเราที่กําลังพูดอยู่นั่นแหละอันนี้ยเป็นตัวแตกตัวดับตัวทําลายเพราะว่าตายแล้วพูดไม่ได้แต่ไอ้ตัวรู้ว่าเราเนี่ยพูดหรือไม่พูดไอ้ตัวเนี้ยไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับทำลายอันนี้คือเราใครเป็นคนรู้ว่าตัวเรากําลังพูดอยู่ในที่รับที่แจ้งก็เราเลยเป็นคนรู้ว่าตัวเรากำลังพูดอยู่หรือตัวเราไม่ได้พูดตัวเราหยุดพูดตัวเราพูดตัวเราหยุดพูดไอ้ตัวเราที่กำลังพูดหรือหยุดพูดตัวหน้าแตกดับทำลายแต่ไอ้ที่มารู้ตัวเรากําลังพูดหรือหยุดพูดเนี่ยไอ้ตัวน้่ะ ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายอาแต่ได้เติอคิดเรียกขึ้นมาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเนี่ยคือคิดทั้งหมดที่มันแสดงอาการไหวไหวไหวไหวได้ภายในใจเนียกว่าคิดหมดเลยตัวคิดตัวกระเพื่อมตัวไหวตัวใครรู้ว่าในจิตใจเรามีอาการกระเพื่อมไหวไหวไหวไหวคิดอะไรกับใครแอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบตองแอบซ้อเล่นอะไรกับใครในที่รับที่แจ้ใครมป็นคนรู้อ่ะเราเป็นคนรู้เห็นไหมถามท่านท่านทุกมาเมื่อกี้ท่านยังตอบได้ว่า เราเป็นคนรู้ตัวทั้งที่ถ้าไม่ได้ฟังว่าแต่แรกก็เข้ามาถามปุ๊บใครไปรู้ว่าเรากำลังแอบคิดอะไรในที่รับที่แจ้งเราเป็นคนรู้แท้จริงเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนรู้เราเนี่ยเป็นคนรู้ตัวเราแต่เราไปเอาตัวคนที่คิดได้ที่พูดได้ที่ที่นั่งที่นอนที่ยืนเดินนั่งนอนที่เข้าองน้ําขอาส้วมดื่มกินที่ทำกิจการงานได้ต่างๆเนี่ยเอาตัวที่ตูกรู้เป็นตัวเราเรายึดผิดตัวมันจะเป็นอวิชาให้มาเป็นผู้ที่รู้ตัวเรา ส่วนตัวเราที่เคลื่อนที่ได้คิดได้ไหวตัวได้ดกระเพื่อมได้ทั้งการคิดการพูดเกิดกระทาเป็นตัวเกิดตัวตายตัวแตกดับทําลายปล่อยความันไปเสียหมดจะไปยึดถือมันเพราะมันตัวสมมุติอยู่ชั่วข้าวก็ต้องแตกดับไปหมดสิน้นให้เป็นผู้ที่มารู้ตัวเราที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ก็คืออยู่กับโรู้ใช่ไหมครับถูกต้<ข>องครับอสนใจอะไรอีกไหมก็คืออยู่ยกับรู้แล้ว สุดท้ายก็ต้องปล่อยรู้ใช่ไหมครับอยู่กับรู้นั่นแหละรู้ที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่ามาเป็นตัวเราที่ถูกรู้อะไที่ปล่อยรู้ก็เพราะว่ามันไปเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราที่ไปรู้แล้วเคลื่อนที่ได้หลายคนเอาตัวตัวรู้เนี่ยเอาเอาอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ตัวเราแต่เอาพอสังเกตดีๆไอ้รู้ของเราเคลื่อนที่ได้เอาเป็นถูกรู้ไหมรู้ของเราประมวลผลได้รู้ของเราเออรู้ของเราแทรกแสงได้ อจิตไม่ดีอยากให้จิตดีจิตเป็นงี้อยากให้เป็นอย่างนั้นได้จิตเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ได้รู้ของเราสามารถแทรกแซงได้เอาอยู่กับรู้แต่รู้สามารถแทรกแซงได้สารพัดเลยสามารถรู้แล้วก็อะจิตมันดีอยากให้มันเป็นอย่างนี้จิตเป็นงี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้รู้ของเรามีการแทรกแซงมีการประมวลผลวิเคราะห์วิจารวิจัยอยากจะเอาอย่างนี้ไม่เอาไม่อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้มันไม่ถูกใจจะเอาที่ถูกใจไอ้ไหนไม่ถูกใจก็ได้ลนผักใส่ได้รู้ของเราเนี่ย มันไม่ใช่ทําหน้าที่รู้เหมือนในกระจกเงาที่มันแทรกแซงไม่ได้มันเลือกสรรไม่ได้คัดแยกไม่ได้มันจะเอาอะไรหรือไม่เอาอะไรไม่ได้มันได้แต่รู้ซื่อๆรู้ซื่อๆหรือว่าสักแต่วรู้หรือแค่รู้เหมือนกระจกเงาที่มารู้ตัวเราแบบกระจกเงาแต่รู้ของเราสังเกตให้ดีเนี่ยไอ้รู้ที่ต้องถูกปล่อยวางถูกทําลายทิ้งนั่นแหะก็คือถูกทํำลายความหลงอะ่ or, <ๆ S 1> ะรู้ที่เราต้องจะต้องถูกทํำลายความหลงก็เอาไปเอารู้ผิดตัวไว้ไปเอารู้ที่มันคิดได้พูดได้พยายาม พยายามมาตั้งรู้ตัวเราไว้ได้พยายามมาตั้งรู้ตั้งเพ่งได้เอารู้ของเรามันมีปรุงแต่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวหายได้เกิดดับได้มันคอยมาตั้งรู้ตั้งเพ่งตัวเราได้อเพราะคันตรวจสอบให้ดีๆนะไอ้รู้ของเรามันปรุงแต่งได้เว้ยแต่ไอ้ไอ้ตัวที่มันตั้งรู้ตั้งเพ่งตั้งรู้แล้วก็บำบวนผลเข้าใจเข้าใจพยายามรู้ให้มากเดี๋ยวเราจะมาสามารถบรรลุได้ไอ้รู้ที่มันนึกว่าโอ๊เรารู้แบบนี้เดี๋ยวเราจะบรรลุแล้วเดี๋ยวเราจะบรรลุ รู้ของเรานี่มันเป็นไงมันปรุงแต่งได้ไหมเออมันปรุงแต่งได้ถ้ารู้ของเราเนี่ยปรุงแต่งได้ไอ้รู้อันนี้จะต้องถูกปล่อยวางที่หลวงปู่ดุนลนัตโลว่าพบผู้รู้ค่าบูรู้คือหรือว่าห้องตามหาบยันทร์สัพปโนหรือบุาราเก็บมาประโตหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นพระพิเศษรู้อันเนี้ยต้องต้องถูกปล่อยวางไอ้รู้ที่เคลื่อนที่ได้ที่ปรุงแต่งได้ที่เป็นเรารู้สึกว่ารู้เนี่ยเป็นเราเราเป็นผู้รู้เนี่ยมันจะปรุงแต่งได้จะต้องทําลายความหลงนี้ไปปล่อยวางไป อจะต้องมาเป็นรู้ตัวเราที่เหมือนกระจกเอาที่ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไม่อาปรุงแต่งได้หตาครับแล้วแล้วผมรู้รู้รู้นักขันอนี้เนี่ยอย่างนี้ถูกไหมครับหมายถึงว่ารู้ณตอนนี้ถ้ารู้ของท่านหาถูกหาผิดได้รู<อ>้ว<อ>่าจะตาครับอันนี้ผมรู้ถูกรู้ผิดถ้ารู้ของท่านจะไปเอาอะไรได้แสดงว่าใช่ไหมรู้ของท่านจะไปเอาได้ว่าเอาถูกเอาผิด อย่างที่ผมเป็นรู้อย่างครับรู้ของท่านสงสัยได้รู้รู้มีอาการสงสัยได้ว่าถูกเอ้ผมรู้นี่ถูกหรือผิดเนี่ะแสดงว่าไปรู้ปะหรือเป็นอะไรเป็นถูกรู้เออเป็นถูกรู้หมดเลยรู้ว่านั้นนะมันพูดไม่ได้หรอกครับมันพูดไม่ได้สงสัยไม่ได้ครับขอบพระคุณครับหลวงตาฟังเขาใจหน่อยไหมฟังเข้าใจไหมหน้องฟังพอผู้กับลวงตาเข้าใจไหมเข้าใจไหม เข้าใจเหรอเข้าใจยังไงอาบอก น, น่ไม่ต้องอายหรอกจะได้ออกมีเสียงเสียงลูกชายออก้าวขบออกออกดีๆหน่อยออกอาราบา้าใหมหรกเข้าใจยังไงเมื่อกี้พูดเข้าใจยังไงลออธิบายสิดยอธิบายเป็นภาษาใจของเด็กๆ เ, เลยสิมันเป็นงไงรมันเป็นยังไงที่เมื่อกี้ที่หลวงตาพูดกับพ่อเนี่ยพอหนูเข้าใจยังไงออกอธิบายภาษาของหนูยังไเเด็กๆ เ, เลยเ็นไงเขเ้าใจว่ายัางไงร อืเข้าใจไหมก็คือถ้าเกิดเรารู้อะถ้าเกิดเรารู้แล้วเราก็ต้องปล่อยวางอืถ้าเรารู้แล้วเราต้องปล่อยวางป่อยวางอะไรหรอกป่อยวางหรู้อืมเป็นยังไงปล่อยวางรู้เป็นยไงลูกไหนที่บาจีลู้เนตอนชิฟต์ยังไงลูกในีวิประจำวัน ถ้าผมดูฟังเข้าใจเข้าใจแล้วหนูจะด onation วิธีงไงหนูจะปฏิบัติยังไงลูกก้าวขั้วปฏิบัติยังไงในโลกหนูจะเป็นตัวอย่างของปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องในที่นี้เลยลูกก้าวกล้ว ห, หนูจะหนูจะอยู่กั น, นยังไงลูกเดินจะปฏิบัติยังไงในสุจริตอยู่กับอะไรลูกอยู่กับรู้อยู่กับรู้เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อยู่กับรู้นะลูกนะเดินหลงไปเป็นตัวเราที่ถูกรู้นะ